บทภาชณีติกะปาจิตตีนรี่สกรรมที่ทำถูกต้องภิกษุณีสำคัญว่าเป็นกรรม <c oughs> ที่ทำถูกต้องบวชให้ต้องอบัตปาจิตตีกรรม <c oughs> ที่ทำถูกต้องภิกษุณีไม่แน่ใจบวชให้ต้องอบัตปาจิตตีกรรมที่ทำถูกต้องภิกษุณีสำคัญว่าเป็นกรรมที่ทำไม่ถูกต้องบวชให้ต้องอบัตปาจิตตีติกาทุกกฎ กรรมที่ทําไม่ถูกต้องภิกษุณีสําคัญว่าเป็นกรรมที่ทําถูกต้องบวชให้ต้องอบัตทุกกฎกรรมที่ทําไม่ถูกต้องภิกษุณีไม่แน่ใจบวชให้ต้องอบัตทุกกฎกรรมที่ทําไม่ถูกต้องภิกษุณีสําคัญว่าเป็นกรรมที่ทําไม่ถูกต้องบวชให้ต้องอบัตทุกกฎ